นิทานเรื่องที่23พระเจ้าตริวิกรมเสนเสด็จกลับมาที่ต้นอโศอีกครั้งแต่คราวนี้เวตาลแปลงกายหลอกตาพระเจ้าตริวิกรมเสนเป็นพันตัวแต่พระเจ้าตริวิกรมเสนก็สามารถดึงเอาตัวเวตาลลงมาได้ถูกต้องระหว่างที่พระราชาเดินทางกลับมาทางเดิมเวตาลก็กล่าวขึ้นอีกว่า ท่านราชาธุระที่ท่านกำลังทํายังไม่สำเร็จเดี๋ยวนี้ห็อกนี่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะท่านลองฟังนิทานดีๆจากข้าอีกสักเรื่องก็แล้วกันนะในเมืองโสภาวดียังมีพรามผู้หนึ่งนามว่ายัชยยโสมอาศัยอยู่ในอนณาเขตที่พระราชาประทานให้พรามผู้นี้ได้สังเวอร์เทพจนมีบุตรคนหนึ่งเมื่อตอนที่เขาอายุมากแล้ววันเวลาผ่านไป เด็กชายผู้นี้ได้เติบโตเป็นหนุ่มวัย16ปีและมีความสามารถทางด้านพระเวทจนเป็นที่ยอมรับของพราหมณ์ทั้งหลายแต่แล้วเรื่องเศร้าก็เกิดขึ้นเมื่อพราหมณ์หนุ่มได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันด้วยไข้ชนิดหนึ่งสร้างความเสียใจกับพ่อและแม่เป็นอย่างมากทั้งสองเฝ้ากอดศพลูกชายไว้ไม่ยอมนำร่างไปทำพิธีแต่สุดท้ายญาติพี่น้องจำต้องนำร่างพราหมณ์หนุ่มไปทำพิธีที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคา ก่อนที่ร่างกายของเขาจะเน่าเปื่อยไปณริมฝั่งแม่น้ำคงคามีนักพรตผู้หนึ่งตั้งอาสมอยู่บริเวณนั้นนามว่าว่ามะสิวะมีความชำนาญมายาศาสตร์ขณะนั้นได้ยินเสียงร่ำไห้ของขบวนศพดังมาจึงให้ลูกศิษย์เข้าไปสอบถามลูกศิษย์ผู้นี้เป็นคนเย่อะยิงโง่เขลาและเห็นแก่ตัวเมื่อถูกอาจารย์ใช้จึงกล่าวว่า ืนี่มันเป็นเวลารับประทานอาหารของข้านะข้าไม่มีเวลาทำงานให้กับท่านหรอกเอ้ยเจ้านี่มันขี้เกียจเห็นแก่กินนี่เพิ่งจะผ่านไปแค่ครึ่งยามเท่านั้นเจ้าหวัดถึงเวลาออกพิธาบาทได้ยังไรเฮ้ยหน่อยแน่ให้ตาแก่สกรปรกต่อไปเนี่ยข้ามันใช้สิทธิ์เจ้าแล้วลูกศิษย์ผู้นั้นกล่าวแล้วก็เดินจากไป ฝ่ายนักพรเห็นว่าลูกศิษย์จากไปแล้วก็เดินไปหัวรอบไปจนไปถึงสถานที่ทําพิธีศพของหนุ่มน้อยบริเวณสุสานเมื่อเขาเห็นร่างหนุ่มน้อยพันก็คิดได้ว่าถ้าเขาสิงร่างเด็กหนุ่มคนนี้แล้วสละร่างอันน่าเกลียดของเขาเขาก็จะกลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งว่าแล้วนักพรก็กระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจแอบลบเข้าไปข้างหลังแล้วร้องไห้ออกมาดังๆก่อนจะไร้มนและเข้าสิงร่างทันที ทันใดนั้นเองร่างของหนุ่มน้อยก็กลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งญาติญาติที่รายล้อมต่างก็พากันยินดียิ่งนักชยโยเขาฟื้นแล้วเขาฟื้นแล้วชยโยดีใจเออแต่นักพจน์ในร่างหนุ่มน้อยแม้จะสละร่างที่น่าเกลียดแล้วก็ยังไม่สละการถือศีลของนักพจนเขาจึงเอ่ยขึ้นว่าข้าตายไปแล้ว และได้พระสิว่ามาช่วยให้ฟื้นขึ้นใหม่ครั้งพระองค์ทรงตรัสแก่ข้าว่าต้องการให้ข้าถือศีลอย่างนักบวชข้าต้องปลีกวิเวกไปก่อนไม่อย่างนั้นแล้วข้าคงจะต้องจบชีวิตลงอีกครั้งว่าแล้วนักพรซึ่งสิงอยู่ในร่างหนุ่มน้อยก็เดินทางต่อไปไอ้อราชาท่านช่วยอธิบายหน่อยว่าทาไมนักพรตผู้นั้นจึงร้องไห้ออกมาก่อน แล้วหัวเราออกมาในตอนหลังข้าอยากรู้เหตุผลจริงๆพระเจ้าตริวิกรมเสนทรงเป็นพระราชาที่รอบรู้กว่านักปราด ท, ทั้งหลายเมื่อได้ฟังปัญหาและรู้คำตอบแล้วจะไม่พูดก็กลัวคำสาปจึงที่ตอบคำถามออกไปว่าเหตุที่นักพรตผู้นั้นเสียใจเนี่ยก็เพราะว่าจะต้องสละร่างเดิมที่ได้มาแต่กำเนิดเป็นร่างที่พ่อแม่อุ้มชูมาตั้งแต่เกิด คนทุกคนเนี่ยรักตัวเองเมื่อจะล้สังขารไปก็อลไยอาวันเป็นธรรมดาและที่เขากระโดดโลดเต้นหัวรอดีใจนั้นเพราะเขาจะได้ไปสู่ร่างใหม่ที่นุ่มกว่าทําให้เขานี่มีเวลาใช้ชีวิตแล้วก็ฝึกพระเวทอีกหลายปีใครเล่าจะไม่ยินดีอืท่านช่างเป็นพระราชิที่นลาดยิ่งนะักแต่เสียใจด้วยที่ท่านหลงกลคาอีกแล้ว <laughs> เจ้าจะบอกข้าได้หรอเนี่ยว่าทำไมว่าทำไมเจ้าถึงหลอกให้ข้าเดินวนไปวนมาข้าน่ะเสียเวลามากแล้นะเพราะท่านโยคีเนี่ยกำลังรอข้าอยู่ท่านใกล้จะได้คําตอบแล้วท่านราชาเวตาลร้อเสียงดังแล้วกระโดดลงจากบ่าของพระเจ้าตรีวิกรมเสนหายวับไปในความมืดกลับคืนไปยังต้นอโศกดังเดิม คนเราควรที่จะพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ไม่ควรคิดเบียดเบียนสิทธิของผู้อื่นการรู้จักพอเพียงจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปฏิบัติ